พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่21สุดุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายจตุกานิบาตจตุตถาปันนาตหมวดห้าสิบที่สี่วรรคที่หนึ่งชื่ออินทรียวรคว่าด้วยธรรมะอันเป็นใหญ่ทรงสแสดงอินทรีสีหรือธรรมะอันเป็นใหญ่สี่คือความเชื่อความเอียนความตั้งมั่น ปัญญาส่งแสดงกำลังสี่อย่างแบ่งเป็นสี่ในคือหนึ่งกำลังคือความเชื่อความเพียรความตั้งมั่นปัญญาสองกำลังคือปัญญาความเพียรความไม่มีโทษการสงเคราะห์สามกำลังคือความระลึกได้ความตั้งใจมั่นความไม่มีโทษการสงเคราะห์ 4. กำลังคือการพิจรารณาการอบรมความไม่มีโทษการสงเคราะห์ทรงแสดงกับที่นับไม่ได้สอย่างได้แก่หนึ่งสังวัตตกับคือกับเสื่อม 2. สังวัตตถาีคือกับที่ยังตั้งอยู่ในความเสื่อม 3. วิวัตตกับคือกับเจริญ 4. วิวัตตฐายีกกับคือกับที่ยังตั้งอยู่ในความเจริญรวมสี่กับเป็นมหากับทรงแสดงว่าทั้งสี่กับนี้นับไม่ได้โดยง่ายว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีพันปีแสนปีทรงแสดงโรคสองอย่างคือโรคทางกายและโรคทางใจ เราตรัสว่าผู้ที่ยืนยันความไม่มีโรคทางกายตั้งแต่หนึ่งปีสองปีเป็นต้นถึงห้าิบปีหรือแม้ยิ่งกว่าร้อยปีก็ยังพอเห็นได้แต่ผู้ที่จะยืนยันความไม่มีโรคทางจิตแม้เพียงครู่หนึ่งนอกจากพระกีนาศพผู้สิ้นอาสวะคือกิเลสดองสันดานแล้วก็หาได้ยากในโลก แล้วทรงแสดงโรคของบรรพชิตสี่อย่างคือการที่ภิกษุมีความปรารถนามากไม่สันโดษด้วยปัจจสี่ตั้งความปรารถนาเพียรพยายามเพื่อไม่ถูกดูหมินเพื่อได้ลาบสักการะชื่อเสียงโดยเข้าสู่สกุลนั่งกล่าวธรรมะกลั่นอุจจาระปัสสวะเพื่อให้เขารู้จักตน พระสาวรีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุภิกษุณีจะรู้ว่าเสื่อมจากอากุศลธรรมหรือไม่ให้พิจารณาธรรมสี่อย่างในตนคือความเป็นผู้ภัยบู์ด้วยราคะโทสะโมหะและปัญญาจากสุขของผู้นั้นไม่เป็นไปในฐานะที่กวรและไม่ควรอันลึกซึง้ง พระอานนท์แสดงธรรมแก่นางภิกษุณีรูปหนึ่งผู้ใช้คนไปนิมนต์อ้างว่าตนเป็นไข้โดยชีย้แจงว่ากายเกิดขึ้นเพราะอาหารตันหามานะหรือความถือตัวและเมตุุนบุคคลพึงอาศัยอาหารละอาหารอาศัยตันหาละตันหาอาศัยมานะละมานะได้แต่เมถุนบุคคลพึงละ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพึงชักสะพานซะคือละโดยเด็ดขาดนางภิกษุณีได้สดับก็ลุกขึ้นจากเตียงกล่าวขอขมาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระตถาคตและพระวินัยของพระตถาคตเมื่อตั้งอยู่ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากพืออนุเคราะห์โลกตรัสอธิบายว่า ธรรมะที่พระตถาคตแสดงแล้วเรียกพระวินัยของพระตถาคตตรัสแสดงธรรมสี่อย่างว่าเป็นไปเพื่อความเละอเลือนเพื่ออันตรทานแห่งพระสัตธรรมคือหนึ่งภิกษุทั้งหลายเรียนพระสูตรด้วยบทพยัญชนะที่ยกขึ้นผิดมีเนื้อความอันแนะนำผิด 2. ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่ายากสามภิกษุผู้สดับรับฟังมากไม่สอนผู้อื่นให้ท่องจำพระสูตรโดยเคารพเมื่อภิกษุผู้สนับรับฟังมากเหล่านั้นล่วงลับไปพระสูตรก็ชื่อว่ามีมูลราอันขาดหมายถึงไม่มีผู้ทรงจำได้ก็จะไม่เป็นที่พึ่งสี่ ภิกษุผู้เป็นเทระเป็นผู้มากมากย่อหย่อนเอาแต่นอนหลับทอดทุระในความสงัดไม่ปรารบความเอียนเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุทำให้คนรุ่นหลังถือเป็นตัวอย่างส่วนในทางดีทรงแสดงโดยในตรงกันข้ามวรรคที่สอง ชื่อปฏิปทาวักว่าด้วยข้อปฏิบัติทรงแสดงปฏิปทาสี่อย่างมีชื่อเดียวกันแต่ต่างในคือหนึ่งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า 2. ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว 3. ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า 4. ปฏิบัติสะดวก ทั้งรู้ได้เร็วทรงแสดงปฏิปทาสี่อย่างมีชื่อเดียวกันแต่ต่างในคือหนึ่งปฏิบัติไม่อดทนสองปฏิบัติอดทนสปฏิบัติคมสปฏิบัติสงบพระมหาโมคลานะตอบพระสารีบุตรว่าท่านอาศัยการปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้า มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะพระสารีบุตรตอบพระมหาโมคลานะว่าท่านอาศัยการปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็วมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงบุคคลสี่ประเภทคือหนึ่งผู้ต้องใช้ความเพียรดักกิเลสได้ในปัจจุบัน 2. ผู้ต้องใช้ความเพียร ดับกิเลสได้เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว 3. ผู้ไม่ต้องใช้ความเพียรดับกิเลสได้ในปัจจุบัน 4. ผู้ไม่ต้องใช้ความเพียรดับกิเลสได้เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว 2. ประเภทแรกตรัสอธิบายในทางผู้ปฏิบัติสายวิปัสสนาส่วนสองประเภทหลังตรัสอธิบายในทางผู้ปฏิบัติสายสมถะ ส่วนที่ดับกิเลสได้ในปัจจุบันหรือเมื่อตายไปแล้วขึ้นอยู่แก่อินทรีย์คือธรรมะอันเป็นใหญ่มีกำลังแรงหรืออ่อนพระอานนท์แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุภิกษุณีที่พยากรณ์การบรรลุความเป็นอรหันต์คือพูดว่าได้บรรลุในสำนักของเรา ย่อมมีทางเป็นไปได้อย่างใดอย่างหนึ่งรวมสี่ทางคือหนึ่งเจริญวิปัสนาหมายถึงปัญญาอันเห็นแจ้งมีสมถะเป็นหัวหน้ามักเกิดขึ้นเมื่อเจริญมัด ก, ก็ลัดสังโยชน์คือกิเลสที่ร้อยรัดหรือผูกมัดได้กิเลสพวกอนุสัยคือพวกแปลงตัวหรือนอนอยู่ในสันดานย่อมหมดไปสอง เจริญสมถะคือความสงบใจมีวิปัสนาเป็นหัวหน้าแล้วหมดกิเลส 3. เจริญทั้งสมถะและวิปัสนาคู่กันและหมดกิเลส 4. มีจิตแยกจากความฟุ้งซ่านในธรรมะในวงเล็บวิปัสนูปกิเลสเครื่องทำวิปัสนาให้เศร้าหมองเช่น สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิดมีแสงสว่างเป็นต้นมีจิตแยกจากความฟุ้งซ่านในธรรมดังกล่าวจิตสงบตั้งมั่นในภายในมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วหมดกิเลสวรรคที่สามชื่อสันเจตนิยาวษค ว่าด้วยความจงใจทรงแสดงว่าเมื่อมีกายวาจาใจสุขทุกภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมีเจตนาทางกายวาจาใจเป็นเหตุหรือเพราะอาวิชชาคือความไม่รู้เป็นปัจจัยเกิดสุขทุกภายในขึ้นเพราะปรุงกายสังขารวจีสังขาร มโนสังขารคือปรุงเจตนาทางกายวาจาใจปรุงเจตนาทางกายวาจาใจเองก็ตามผู้อื่นปรุงก็ตามคือผู้อื่นชักชวนรู้ตัวก็ตามหมายถึงทําไปอย่างรู้ผิดชอบไม่รู้ตัวก็ตามคือทําไปอย่างไม่รู้ผิดชอบอวิชชาชื่อว่าตกไปตามในธรรมะเหล่านั้นคือเกี่ยวข้องอยู่ทั่วไป เพราะดับอวิชชาได้โดยไม่มีเหลืออื่นๆก็ดับไปด้วยหมายเหตุข้อความตรงนี้ค่อนข้างเป็นธรรมะชั้นสูงยากจะเข้าใจหมายความว่าเจตนาที่เป็นเหตุให้ทำการต่างๆทางกายวาจาใจทำให้เกิดสุขทุกข์ได้และอวิชชายอมเป็นต้นเหตุใหญ่ที่ให้เกิดการปรุงแต่งเจตนา แล้วเป็นเหตุให้เกิดสุขทุกข์อีกต่อหนึ่งดับอวิชชาได้อย่างเดียวก็ดับได้หมดเป็นทิวแถวในทางวิชาการกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารในที่นี้หมายเจตนาทางกายวาจาใจทั้งทั้งที่ในที่อื่นกายสังขารคือเครื่องปรุงกายหมายถึงลมหายใจเข้าออกวจีสังขารเครื่องปรุงวาจา หมายถึงวิตกความตรึกวิจารณ์ความตรองและมโนสังขารหรือจิตตสังขารเครื่องปรุงจิตหมายถึงสัญญาความจำได้หมายรู้และเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งต่างจากความหมายในที่นี้เพราะในที่นี้เมื่อมีความหมายว่าเจตนาทางกายวาจาใจก็หมายถึงเจตนาที่เป็นต้นเหตุ ให้มีการกระทำทั้งดีและชั่วทางกายวาจาใจนั้นทรงแสดงการได้อัตภาพสี่อย่างที่เนื่องด้วยเจตนาของตนบ้างของผู้อื่นบ้างแล้วตรัสตอบปัญหาของพระสารีบุตรเรื่องผู้ที่มาเกิดและไม่มาเกิดอีกพระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย ถึงปฏิสัมพิทาสีคือความแตกฉานอย่างที่ท่านทําให้แจ้งคือความแตกฉานในอัตถะหรือเนื้อความในธรรมะคือคําสอนในนิรุตติภาษากูดและในปฏิาพนฏานหมายถึงยานความรู้ความแตกฉานสี่อย่างหรือปฏิสัมพิทาสี่อย่างนี้เป็นเหตุให้ท่านตอบปัญหาได้ในที่เฉพาะพระพักร์พระาศาสดา พระสารีบุตรตอบ ป, ปัญหาของพระมหากรวดติตะผู้ถามว่าเพราะดับอายตนะสาหรับถูกต้องหกมีตาหูเป็นต้นเพราะดับอายตนะหกโดยไม่เหลือยังมีอะไรอย่างอื่นอยู่อีกพระสารีบุตรตอบว่าไม่กวรกล่าวว่ามีอะไรอื่นไม่มีอะไรอื่นมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เพราะเมื่อพูดเช่นนั้น ก็จะชื่อว่ากล่าวถึงธรรมะที่ไม่เนื่นช้าให้กลายเป็นเนื่นช้าคำว่าเนื่นช้าหมายถึงโลกียธรรมยังห่างาจากพระนิพพานแล้วฉเฉลยว่าเพราะดับอายตนะสำหรับถูกต้องหกก็เป็นความดับความสงบระงับแห่งธรรมะที่ให้เนื่นช้าพระมหากดทิตตากตอบปัญหาของพระอานนท์ ในทรรนองเดียวกับที่พระสารีบุตรตอบพระสารีบุตรตอบปัญหาของพระอุปปานะผู้ถามว่าภิกษุทาที่สุดทุกได้ด้วยวิชาใช่หรือไม่ด้วยเจรณะคือความประพฤติสิบห้าอย่างใช่หรือไม่ด้วยทั้งวิชาและเจรณะใช่หรือไม่เว้นจัดทั้งสองอย่างใช่หรือไม่ พระสารีบุตรตอบปฏิเสธว่าไม่ใช่เช่นนั้นสักข้อเดียวเพราะถ้าเป็นอย่างสามข้อแรกผู้ทาที่สุดทุกข์คือผู้ทาให้ทุกสิ้นไปก็ยังมีอุปาทานหรือความยึดถือถ้าเป็นอย่างข้อหลังปุุชนก็จะทำที่สุดทุกข์ได้เพราะปุุชนเป็นผู้เว้นจากวิชาและจจรณะผู้วิบัติจากจจรณะย่อมไม่รู้เห็นตามเป็นจริง ผู้สมบูรณ์ด้วยจารณะย่อมรู้เห็นตามจริงย่อมทำที่สุดทุกได้สำหรับธรรมะที่โต้อตอบกันนี้ละเอียดอ่อนมากท่านผู้อ่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณตามไปด้วยดีพระผู้มีพระภาคตรัสสอนให้เอาอย่างพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นต้น ดังที่กล่าวมาแล้วในเอกานิบาตตรัสสอนพระราหุลไม่ให้ยึดถือธาตุสีว่าเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราให้เห็นธาตุสีว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยตนทรงสแสดงบุคคลสี่ประเภทคือหนึ่งภิกษุเข้าเจโตวิมุตตอันสงบประงับอย่างใดอย่างหนึ่ง เจโตวิมุตตความหลุดพ้นแห่งจิตในที่นี้หมายเอาสมาบัติหรือฌานแปดคือฌานมีรูปเป็นอารมณ์สีมีนามเป็นอารมณ์สีภิกษุเข้าเจโตวิมุตตอันสงบระงับอย่างใดอย่างหนึ่งใส่ใจความดับกายของตนในที่นี้คือสักจะนิโรธความดับกายของตนซึ่งอัตถกาถาแก้ว่าได้แก่ดับความเวียนว่ายตายเกิดในภูมิสาม ได้แก่นิพพานภิกษุผู้เข้าเจโตวิมุตต์อันสงบระงับอย่างใดอย่างหนึ่งใส่ใจความดับกายของตนจิตของเธอไม่แล่นไปไม่ตั้งอยู่ในความดับกายของตนเธอจึงหวังความดับกายของตนไม่ได้ 2. ภิกษุผู้เข้าเจโตวิมุตเหมือนข้อหนึ่งจิตของเธอแล่นไป ตั้งอยู่ในความดับกายของตนเธอจึงหวังความดับกายของตนได้ 3. ภิกษุผู้เข้าเจโต ว, วิมุตต์อันสงบระงับอย่างใดอย่างหนึ่งใส่ใจในการทําลายอวิชชาจิตของเธอไม่แล่นไปไม่ตั้งอยู่ในการทําลายอวิชชาเธอจึงหวังการทําลายอวิชชาไม่ได้สี่ ภิกษุผู้เข้าเจโตวิมุตต์เหมือนข้อสามจิตของเธอแล่นไปตั้งอยู่ในการทำลายอวิชชาเธอจึงหวังการทำลายอวิชชาได้พระสาริบุตรตอบปัญหาของพระอา น, นุนที่ว่าเหตุไรสัตว์บางเหล่าในโลกนี้จึงไม่นิพพานในปัจจุบันโดยชี้แจงว่าเพราะสัตว์เหล่านั้นไม่รู้ตามความจริงว่า หหาณภากิยะธรรมะเหล่านี้เป็นฝ่ายเสื่อม 2. อทิตฐิภากิยะธรรมะเหล่านี้เป็นฝ่ายเสมอตัว 3. วิเศษภากิยะธรรมะเหล่านี้เป็นฝ่ายได้กําไร 4. นิพเทภากิยะธรรมะเหล่านี้เป็นฝ่ายทําลายกิเลส เมื่อประทับนัโอคับนครพระผู้มีพระภาคตรัสมหาประเทศคือข้ออ้างใหญ่สำหรับตัดสินพระธรรมวินัยสี่ประการคือหนึ่งไม่พึงรับรองไม่ <el> พึงขัดค้านเมื่อภิกษุอ้างว่าได้สดับได้รับมาเฉพาะพระภักพระผู้มีพระภาคไม่พึงรับรองไม่พึงคัดค้านเมื่อภิกษุอ้างว่า พระสงค์ในอาวาสโน้นพร้อมด้วยพระเทระและผู้เป็นหัวหน้าได้สดับได้รับมาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาค 3. มไม่พึงรับรองไม่พึงคัดคา้านเมื่อภิกษุอ้างว่าตนได้สดับได้รับมาในที่เฉพาะหน้าของพระเทระมากหลายในอาวาสโน้นซึ่งเป็นผู้สดับตรับฟังมากจาประสูต์ได้ ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาสไม่พึงรับรองไม่พึงคัดค้านเมื่อภิกษุอ้างว่าตนได้สดับได้รับมาในที่เฉพาะหน้าของพระเทระรูปหนึ่งในอววาโน้นซึ่งเป็นผู้สดับรับฟังมากจำพระสูต์ได้ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาการได้สดับได้รับมาทั้งสี่ข้อนั้น มีใจความว่านี้เป็นธรรมะเป็นวินัยเป็นคําสอนของพระาศาสดาพึงทรงจําบทพยัญชนะนั้นๆให้ดีแล้วสอบในพระสูตรเทียบในพระวินัยถ้าไม่เข้ากันก็พึงแน่ใจว่าไม่ใช่ถ้อยคําของพระผู้มีพระภาคภิกษุนี้ถือมาผิดพึงทิง้งซะถ้าเข้ากันได้กับพระสูตรพระวินัยพึงแน่ใจว่า ใช่ถ้อยคำของพระผู้มีพระภาคภิกษุนี้ถือมาถูกแล้ว